Mm hmm.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 ใส่ใจกับการที่จะมาเลือกหรือฝึกฝนให้ตัวเนี่ยสามารถที่จะมีมีความสามารถที่จะเลือกว่าจะให้มันมีอิทธิพลต่อเราแค่ไหนหมายความว่าถึงแม้จะจนถึงแม้จะทางานไม่สาเร็จถึงแม้จะเจ็บจะป่วยเราเลือกได้ว่าจะทุกข์หรือสุข ก, กับมันเราเลือกได้นะแล้วเราเลือกได้ว่าจะมีปฏิกิริยากับมันอย่างไรแต่เราไม่ค่อยเลือก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 ซึ่งถ้าเราผ่านได้เราก็จะมีแต่ความเจริญและความผาสุก